ขันห้าไม่ใช่เราแล้วเราคืออะไรขพรเจ้าเริ่มเข้าใจเรื่องของขันห้าว่าไม่ใช่ตัวของเราแล้วเราคืออะไรละ่ะ เมื่อมีคำถามดังนี้จิตก็เริ่มสงสัยและค้นหาความจริงข้าพเจ้ามาค้นหาและค้นคว้าอยู่นานทีเดียวในที่สุดก็ได้ถามครูบาอาจารย์ในขณะนั้นอาจารย์ได้ตอบว่าเราคือความรู้สึกหรือธาตุรู้ธาตุรู้ไม่ใช่ความรู้ทั่วไปที่เราเรียนจากหนังสือไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยจมูกลิ้มรส ด, ด้วยลิ้นและสัมผัสด้วยกายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดจึงไม่ใช่ธาตุรู้ธาตุรู้นี้มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในสามแดนโลกธาตุนี้สิ่งอื่นๆทั้งหมดไม่ใช่ธาตุรู้แม้แต่อารมณ์ที่สัมผัสได้ด้วยใจของเรานี้ก็ยังไม่ใช่ธาตุรู้ แต่เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจาเป็นจะต้องพิจารณาให้เห็นท่ารู้นี้ให้ได้เพราะท่ารู้นี้แหละคือเราไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณที่ก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นเราท่ารู้หรือจิตนี้เราเกิดมานับอสงไขไม่ท่วน แต่กลับไม่เคยเห็นธาตุรู้ที่เป็นธรรมธาตุนี้มาก่อนเลยดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ํานอนไม่เห็นอาจมเหมือนเราเหยียบแผ่นดินอยู่ทั้งแผ่นดินแต่ไม่เคยเห็นแผ่นดินอันนี้เลยนี่คือความหลงอันหาประมาณไม่ได้เราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ทวน ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจนกระดูกรองทับถมกันสูงเท่าภูเขาทั้งลูกนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าเข้าใจในขณะนั้นจากนั้นมาข้าพเจ้าจึงพยายามอยู่กับธาตุรู้ถึงแม้ในตอนแรกจะขัดขาไทยหายอยู่ได้เพียงหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วก็หายไปแต่เมื่อได้สติ ก็พยายามดึงกลับมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับในที่สุดด้วยความเพียรอย่างยิ่งของข้าพเจ้าทำให้สามารถอยู่กับผู้รู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆจนอยู่ได้ครบร้อยเปอร์เซและสามารถอยู่กับท่ารู้ได้อย่างอัตโนมัติ